ขาา้าพเจ้าจักนอบน้อมบูชาด้วยกายวรนนานอบน้อมด้วยกายวาจีวรนนานานอบน้อ ม, ด, านานออมด้วยวาจาก็เปล่งเสียงตามสัจจรินธรรมแล้วก็มนโวนวรนนานาก็ น, นอบน้อมด้วยใจเป็นอภิวาสนอบน้อมอย่างยิ่งและลึกถึงคุณของภาษาสดาขอความคุ้มครองป้องกันพ ย, ยนอันตรายอุปสรรคต่างๆแล้วก็จะได้น้อมบุญให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะไม่ให้บาปแทรกในกระแสใจแล้วนี่นนโยโสโหภาควาวะราหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านานพระองค์ได้เป็นพระอระหันดาเพิ่งเกิเลตเพิ่งทุกข์สิ้นเชิง ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตยเยนะภาควตาธรรมโ ม, ท, ม, ท, มที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนภะ พระขาวโตสวะกะสังโกพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล้วพระข่าวตันธรรมัางสาง ส, สังขัง หิเมหิสักระิยาธาระอาภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิง่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพาะสง์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้สมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภะควาสุจิระปรินิพุโตปีผู้เจริญ ้าผู้มีพระภาคเจ้าแม้ภรินิพานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจจิมาชนะตานุกรรมปมมานสซา อันเป็นชนลุ่นหลังอิเมสการะทุขตาปนาการพุทธพฏิคาณาตูพอพ ร, ระพาาูทมีพระภาคเจ้าสการะอ่านเป็นบารนาคารของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ อัมหากลางที่คารตาหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถออรหังสัมมาสัมบุทโภขวะพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ดบเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตราจรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระขวานตางอาภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวาสาโตภะคาวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วธรรมนัมตามีข้าพระเจ้านอการพระธรรม สุปฏิปันโนโตสาวกสังโกรพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามีข้าพระเจ้ า, านอบน้อมพระสงฆ์ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธากระจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอะเปิดไปหน้าสิบสาม อนดมามยังพุททานุสติในยังกรโรมาเซตังโคปนภาคาวันตังเอวังการละานกิตติสะทโทอาภูคาโตก็กิตติสัพันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้พุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภคะวาแม้เพียเหียอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารัางเห็นผู้ใครอยากกิเลสสัมมาสามพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองชาจารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณาสุขโตเป็นผู้ไยแล้วด้วยดีโลกวิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่งแจ้ง อนุตโรปุริสดามสาริเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าว่ามนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทศ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคาวาติเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เนี่ยที่กล่าวมาในบทตรงนี้ก็เรียกว่าตามละลึกถึงคุณของพระผู้มีภาคเจ้าแต่ละบทแต่ละบทอันนี้เป็นผู้ธานุสติได้ทุกบทเลยนะ แต่อยู่ว่าใครจะเจริญได้หรือไม่ได้เท่า น, นั้นเองมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมเป็นต้นต่อไปเป็นพุทธาพิคิติงเนี่ยเป็นการพาณนาเฉพาะคุณของพระพุทธเจ้าน่แยกอันนมยังพุทธาพิคิติงกโรมาเซพุทธวารหันตวาระตาพิโยโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตนสุตาพิยานะครุณาหิสมาคตะโตมีพระองค์อันประกอบด้วยยานและพระการุณาอังโหริตุโอเทศ ธรรมระนังวัตตุโรข้าองค์ใดลงประทำชนที่อีให้เบิกบานดุจตาทิศทำหัวให้บานวันธรมะนังธรมรนงิระชาที่นรังข้าพระชา้าว้าพระชินาสี ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกราวผู้ถยโยสพพ ป, ปานินางสารานางเกะมัมมุตมะองค์ใดเป็นสารณาอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปาธมานุสติตานางวันดามิตังสิเรนสัข้าพเจ้าวไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียนกราห า, าสามีทาโซวาพุทโทเมสามิเกจโร ข้าพระเจ้า 5, 2, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสรหเหนือข้าพระเจ้าผู้ทรงรู้ต า, า, าตาใ จ, าจาต า, จาสเมระพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกและสองไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า ทายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้ามันทานตอยหังจรีตสามีพุทธเสวาสุโพธิจังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทตามซึ่งความทัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าพระนานงอ่านยังพุทโธเมสรนางวารัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสาจวาเชนาวัเถอยังสาธุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา เมวันถ้ามาเนน่าอย่างปุญยังปัญญงปสตังอิทาข้าพระเจ้าคูไว้อยู่เพ่พระพุทธเจ้านด้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมไม่สูงตาสเตชะสาอันตรายทางปวงยาได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยแดดแทงบุญอมอบลงนะกายเยนว่าจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพอเทกุกรรมมังปะกตังไม่ยายยังทรรมหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพเจ้าแล้วในพระพุทธเจ้า พูทปฏิการหาตุออจัยยานตังขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนานนานการตรเรสังวริตุงวะพุเทเพื่อการสำรวมระหว่างในพระพุทธเจ้าในการต่อไปต่อไปเป็นบทธรรมานุสติอนิตามระลึกถึงคุณของพระธรรม ในช่วงการขอขมาพระพุทธเจ้าเนี่ยใจก็ต้องนอบนอบนะ้อมเนว่าทำไมถึงต้องขอขมาพระพุทธเจ้าทุกวันรู้ไหมคืออย่างนี้กรรมที่เราเคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าในอดีตมานับไม่ท่วนเรานี่แหละเคยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสดามายัางยาวไกลแล้วเราจรึงหลงทางกันนี้หล นี่แหละโทษที่เราล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจให้สังเกตดูดีว่าสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่สามารถแทงตลอดอริยสัจจะได้ท่านบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทำคือมรค ก, กรรมคือสวดาปิมักก็ไม่เคยทำกรรมประเภทนี้สกาทาคามิม ก, ก็ไม่เคยทำอนาคามิม ก, ก็ไม่เคยทำอรหธรรมั ก, ก็ไม่เคยทำเลย นั้นกรรมสี่อย่างนี่ไม่เคยทำนอกนั้นทำมาเกลี้ยงหมดแล้วเอาแล้วอะไรอะดูหนักๆ น, นะอนันตรียกรรมมาตุคาเนี่ที่นั่งนั่งอยู่เนี่เคยทำมาแล้วพราแม่ปีตุคาตเคยฆ่าพ่อมาแล้วอารหันตะคาตเคยฆ่าพระอรหันต์มาด้วยโลหิตตุกบาศ เคยทำพระบาทของพระศาสดาให้ห่อมาแล้วเอาทาเงินแล้วปรสังกระเพดทำมาแล้วนี่ไงก็พระศาสดาว่ามากักกรรมที่ไม่เคยทำมีสี่อย่างใช่ไหมที่สัตว์ไม่เคยล่วงเกินนี่แหละเราจะได้ได้คำตอบว่าทำไมเราหลงทางเยอะมาก นันขอกข้มาต้องขอจริงๆเลยนะแล้วกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ผลในในเป็นอุปชาเวทียกรรมลงอเวจีกันมาก็เยอะใช่ไหมนี่ที่นั่งนั่งอยู่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะล่วงละเมิดขนาดนั้นประหลาดไหมนี่ความความที่พบชาติเราระลึกไม่ออกหมดแล้วทีนี้ วเราจะทำยังไงก็ขอเข้ามาโทษทุกนอดีตต่อไปว่าจะไม่ทำจะไม่ทาอีกแล้วทีนี้เออเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเคยทำเราจะรู้ได้ยังไงก็รู้จากพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บอกนี่ไงเอาใครฟังประโยคนี้ตกใจไหมตกใจไหมว่าเราเคยทำกรรมที่หนักเคยสังเกตไหมว่า มายกหลายครั้งเนะี้วหลายสูตรเนี่มายกให้ตัวอย่างว่าบริวารของสุมพมเทพบุตรที่เป็นเทวดาห้าร้อยกาลังเก็บดอกไม้เพลินๆแล้วคือปล่อยให้ลบปล่อยให้กิเลสเกิดเอาเนี่ยนะส่วนมนนีนะเราปล่อยกิเลสเกิดแล้วตายในขณะดนี้ยุ่งไหมยอมสมมตินั่งหลับๆเนี่ยแล้วถ้าปล่อยกิเลสเกิดตรงนี้สมมติจุติจิตเกิดปบนี่ยุ่งไหม ยุ่งมั้ยุ่งแล้วกอนเนี่ยกาลังเก็บดอกไม้เพลินๆเนี่ยตอนนั้นโลภะตายตูมทำไมลงเอเวจีแล้เทวดาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหลังหันตามลงอิตุบาทที่ไหนเนยนั่นแหละกรรมในอดีตมันได้จังหวะแห่งการให้วิบากนี่เป็นอย่างนี้ตามอย่างนี้เราเคยล่วงหลับเกินมาแล้วจริงต้องพยายามระมัดระวังต้องระวังไหม